การฟังทมแล้วเราก็เกิดตัวรู้ขึ้นไม่มากก็อน้อยอย่างที่บอกว่าโลกนี้ไม่ไร้จากเสียงเวลาไปอยู่ท่าพอคอปเตอร์บินผ่านเสียงบึบบึบบึบพอคอปเตอร์ผ่านหยุดเพะพอดึกสงัดยังได้ยินเสียงน้ำหยดใจ บางทีมันก็กระทบใส่หินบางทีก็เป็นแอ่งเล็กๆหยดตุม้มแล้วก็หายไปนานๆหยดอีกตุม้มแต่มาเข้าใจเลยบอกเออรู้แล้วเสียงมันไม่ได้ดังโยมฟัง จับโฟกัสคำนี้นะเสียงมันไม่ได้ดังไอ้ที่มันดังคือใจเราก็มาพกเข้าใจกันที่จะมานั่งยิมเลยบถูกต้องเสียงมันไม่ได้ดังแต่ที่ดังคือใจเราถ้าเพียงหยดน้ําหยดแล้วเราบอกว่าดังอยู่เนี่ยนะโอ้เวลาฟังเสียงก็เปิดเบรใหญ่ๆบุมบุมบุมเนี่ย มันจะไม่เรียกว่าระเบิดหรือโยมถูกไหมอเออเข้าใจแล้วไอ้ที่ดังคือใจเราดังเองถ้าใครได้ยินเสียงหยดน้ำนานๆหยดทีนึงแล้วบอกมันเสียงดังแต่มาบอกไม่ใช่ใจโยมดังเองโยมไม่เข้าใจแล้ว อาปฏิบัติต้องเข้าถึงพระสัทธรรมนะคือแก่นแท้ปฏิบัติให้เข้าถึงพระสัทธรรมหรือปฏิบัติให้รู้ซึ้งของธรรมนะครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะโยมกว่าจะได้กระทิมะพร้าวน่ยโยมาไม่ คันเนี่ยโยมมาจะได้ไหมถ้าไม่เคี่ยวจะได้น้ํามันมะพระาะ้าวไหมไม่ได้เหมือนกันการภาวนาถ้ามาบอกเออกำหนดรู้แล้วหยดน้ําไม่ได้ดังใจเราตัางหากเราไม่อยู่ที่นี่มันก็หยดอยู่แล้วก็ไม่เห็นมีใครว่ามันดังเลย น้อยมาส 5, 6ห้าหวันดังบอกน้ำมันดังแต่ว่าตัวเองนะทามาเป็นใหญ่กว่าถ้าซะอีกเขาอยู่กับมานมนานการเลยแล้วเราเอากิเลสตัวเองแท้ๆเลยแหมพึงรู้นะเนี่ยโดยปกติเราจะเข้าข้างตัวเองถูกไมโยมแต่ลืมกําหนด ความจริงพอกำหนดได้ปื๊บเออใจเรามันดังถ้าแค่นี้ว่าดังโลกทั้งใบไม่ต้องไปฟังอะไรแล้วอยู่วุ่นวายแล้วละ่ะพอรู้เสร็จนั่งยิ้มเลยยมเออมันเกิดตรงนี้เองปัญญาบารมี ความรู้ตื่นแจ้งเกิดอย่างนี้เองแต่นี้ยังไม่ใช่ถึงขั้นปารามัติที่จะปล่อยวางละทุก์ได้หมดนะเพียง <ST Whew. S 1> แต่รู้ในส่วนหนึ่งเท่านั้นเล็กๆ เ, เป็นจุดเล็กๆที่เราจะขยายวงกว้างรู้แล้วใจเราดังมันดังยังไงเออนั่นสิ โลกนี้ไม่เคยหยุดในคำถามใช่ไหมโยมแลวก็ไม่เคยหยุดสแสวงหาคำตอบที่แท้จริงเหมือนนักวิทยาศาสตร์มีแต่คำถามสแสวงหาคำตอบก็คือวิจัยไปเรื่อยจนกว่าสิ่งนั้นประสบความสำเร็จคือสิ้นความสงสัยและก็ทำสิ่งนั้นให้เกิดเป็นรูปธรรมขึ้นมา อย่างชัดเจนการภาวนาก็เหมือนกันเราภาวนาเนี่ยให้เกิดทั้งรูปธรรมและก็นามธรรมก็คือสามารถจับต้องได้อยมเชื่อไหมหัวใจมนุษย์บางคนบอกจับต้องไม่ได้หัวใจร่างกายนี้ผ่ามาจับเต้นปุบปุบปุบแต่หัวใจมนุษย์จับต้องได้จับได้ที่ศีลธรรม จะรู้ไหมว่านี่มนุษย์หรือสัตว์จิตใจคนๆนี้จับต้องได้อยู่ที่ไหนศีละธรรมเราไม่ใช่จับต้องด้วยมือนั่นมันหยาบไปรูปก็ต้องจับด้วยรูปแต่นามธรรมเราต้องจับรู้ด้วยปัญญาเราสัมผัสใจเราได้สุขหรือทุกข์ไม่ใช่เอามือจับทุกขโ ม, มแต่ใช้จิตสัมผัสได้ มีคนก็ถามในบุญในบาปจับมาให้ดูหน่อยตามมาบอกเจออีกแล้วคนอย่างนี้แม่มันถามบุญบาปถ้าจับมาได้มันก็เชื่อธรรมะเอยอยางงี้เอาไงดีวะเนี่ยเจอคนมีปัญญาหรือเจออันตรพาลเนี่ยหยกธรรมาก็ถามโยมรู้จักสุขทุกข์ไหมบอกรู้สิงั้นจับมาให้ดูหน่อยเซะ ใส่ขวดมาให้ดูหน่อยอึ้งไปเลยโยมยืนนิ่งไปพักเอา้าทจบทุ ก, ทกผมรู้บอกรู้ได้ไงรู้ที่ใจแล้วคําที่จะมาพูดต่างตรงไหนบุญบาปมันก็รู้ที่ใจเอาแค่นี้นะโยมโยมมาทางไหนอาจจะมามาทางไหนก็ไปทางนั้นแล้วกันโยมเออต่างคนต่างไปบ้านใครบ้านมัน แล้วก็มาจำเป็นก็อยาเจออยาเจออีกเลยนั่นคือความไม่รู้บางอย่างบอกเออใจสัมผัสได้เหมือนมีโยมคนกนึงเเคยถามอาัมานะบอกพระอาจารย์วันนั้นบรรยายว่าอย่ารูปคลําใจโยมไม่เข้าใจ ทำไมมันรูปคลาได้เลยใจบอกบอกได้โยมโยมรู้จักอดีตไหมรู้อดีตคือสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละโยมรูปคลํามานหรือเปล่าบางคนเจ็บสิบปีไม่หายเจ็บป้าเจ็บนานจังยักไม่ย ก, กะต่ายเจ็บนานขนาดนี้เนาะบางคนเจ็บสามสิบยี่สิบปี ไม่ตายบางคนก็แค้นกินน้ําเท่าไหร่ก็ไม่หายแค้นโอ้นั่นแหละรูปคลําใจใครทําให้เจ็บแล้วก็รู้สึกเจ็บอยู่ตลอดใครทําให้เราเกลียดชังเราก็รู้สึกอึดอัดกับสิ่งนี้มาตลอดธรรมาบอกนั่นแหละรูปคลําใจหยุดได้แล้ววางมันเสีย วางมันไม่ใช่วางสิ่งของวางอาดีตแล้วจะไม่เจ็บปวดวางมันทุกมันก็จะดับแต่ถ้าเราไม่ยอมวางนะเราเหมือนแบกโดยเฉพาะแบกความยึดติด กับชีวิตที่เกิดมาธรรมะบอกโยมไม่เข้าใจแล้วใครสอนให้ยึดชีวิตเขาสอนให้ใช้ชีวิตถามจริงมีพ่อแม่คนไหนสอนให้ยึดกับชีวิตสอนผิดสอนให้รู้จักใช้ชีวิตรู้จักอนาคตรู้จักปัจจุบัน และเอาอาดีตนะมาเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นบทเรียนเป็นประสบการณ์หรือมาเป็นสติจดเอาไว้บันทึกเอาไว้ว่าเรื่องราวที่เกิดมามันมีอะไรเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์หรือสิ่งนั้นเป็นโทษเอามาไตรตรองใครครวญพิจารณา เออนั่นแหละรูปคลาใจบอกพอได้แล้วยมพอได้แล้ววางเสียไม่ได้บอกให้หยุดงานทำต่อไปเถอะขยันเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพอมีเวลาชีวิตที่ยังเหลือน้อยเนี่ยใช้ให้คุ้ม คำว่าใช้คุ้มไม่ใช่มุ่งแต่ประโยชน์นะบางคนมุ่งแต่ประโยชน์แตมาบอกขาดทุนตายเลยกำไรเยอะแยะแต่ขาดทุนชีวิตเลือกเอาเจ้าอะไรแตมาเคยยกเรื่องหนุ่มข้ามแพให้ฟังแล้วใช่ไกับเท่าแก่ที่จะข้ามแพอายุก็มากละหกิบกว่า ยังค้าขายก ำ, กำไรเยอะแยะยังไม่หยุดเขาบอกว่าเขาจะไว้เก็บกินตอนแก่แต่กโแก่มันจะกินสักกี่คมฟันมันจะแข็งแรงหรือกลืนอาหารมันจะกลืนได้สักกี่คมคนแก่ม้าแก่มันจะกินหญ้าสักทอร่ย ถูกหรือเปล่าเลยโยมคำนี้ยืนยันได้ยืนยันได้คิดยาวไม่เป็นไรแต่ที่มันคิดเกินไปนมันไม่ถูกมองการไกลเขาเรียกมองให้เห็นสิ่งที่จะเกิดวันข้างหน้านั่นคือมองการไกลความหมายต้องเข้าใจ มองอนาคตว่าชีวิตของเราข้างหน้าจะเป็นอะไรเราต้องเตรียมชีวิตแต่วันนี้ก็เรียกมองอนาค ต, ตก็คือเตรียมปัจจุบันหลายคนไม่เข้าใจเข้าใจว่าเราจะไปเสพสุขบ้านปลายทํไมบอกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าใครจะรู้ว่าเราจะตายเมื่อไรในโยมยืนยันได้ไหมว่าร้อยปี ยกมือขึ้น90 80ไม่มีใครตอบได้ต่อให้7 9อีก364วันยังอย่าไปคิดว่าจะครบอาจจะขาดวันนั้นก็ได้ไม่แน่เออไม่แน่ก็คือไม่แน่ก็แปลว่าไม่แน่งั้นไม่ต้องแปลดีกว่า จบแค่นี้พอเรายิ่งเข้าใจเข้าถึงพระสัจธรรมแล้วบอกเออที่มันดังคือใจเราที่มันวุ่นวายก็คือใจเราที่มันสุขก็ใจเราแล้วมันทุกข์ก็ใจเรา เห็นไม่ถึงบอกใจเป็นประธานใจเป็นหัวหน้ามโนบุพังคมาธรร ม, มานะใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นทุกสรรพสิ่งทั้งหลายมโนเสรษามโนมยามนานสาใจเรา hai, ทังนั้นแล้วสรุปแต่ถามว่าทุกกายมีไหมมีแต่มาไม่เคยปฏิเสธ คนเราเกิดมาก็มีแค่กายกับใจไม่ได้มากกว่านี้และก็ไม่น้อยกว่านี้ถูกจะมากำหนดรูปนามมาทั้งชีวิตทำไมจะไม่รู้กายกับจิตเราอยู่กันสองอย่างกายกับจิต แต่จะมีความสุขหลุดพ้นได้ก็ต้องมีชีวิตกับธรรมะพระพุทธเจ้าสอนให้รู้กายจิตแต่จริงๆเพียงบอกให้รู้แต่ดับได้คือชีวิตกับธรรมะเราศึกษากายจิตแต่คำตอบไม่ใช่กายจิตคำตอบชีวิตกับธรรมนั่นคือคำตอบชีวิตกับธรรมะ ผสมประสานกันไปถึงไหนแลยโยมลงตัวไหมมันสมุดไหมปะมีสมุดไหมลงตัวอะไรอย่างอย่ลงตัวไหมมันลงตัวอะไอย่างผสมประสานชีวิตกับธรรมะเละยโยมรู้ไหมธรรมะคืออะไร ธรรมะสิ่งเกิดสิ่งปรากฏและสิ่งดับล้วนเป็นธรรมทั้งหมดโยมว่พระสารีบุตรได้ยินธรรมะครั้งแรกเลยนะคำไหนนะไหมยังกินจิสมุทยธรระธรรมมังสัพพันนี่รยธรรมมันตะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายล้วนดับไปยังกินจิสมุทะยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติพระสารีบุตรเข้าใจเลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้น สิ่งทั้งมวลล้วนดับไปนี่แหละคือธรรมยังกินจิสมุทยะธรรมมังสพันตังนิโรธะธรรมมันติล้วนดับนิโรธะโอ้โหล้วนดับไปฉะนั้นโยมนั่งภาวนากำหนดยืนเดินนั่งนอนแต่มาไม่เกี่ยงอิรียบทไหนก็ตามสติเจริญรละลึกรู้อยู่ ธรรมรู้อยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่ธรรมธรรมเกิดธรรมปรากฏและธรรมนั้นดับไปยึดไม่มีตรงนั้นถ้ายึดติดไม่เรียกว่าธรรมเรียกว่าตัวกูของกูเรียกว่าอัตตาตัวตนเรียกว่าตัณหาอาวิชชามันไม่ใช่ธรรมเพราะธรรม กล่าวเพียงสภาวะแต่ไม่ได้บอกให้ยึดติดรูปนามสุดท้ายไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาตรมาก็นั่งสงสัยแล้วใครนั่งหิวอยู่เนี่ยเราไม่ใช่หรือตรรมาไม่ได้ยอมรับง่ายๆนะและที่นั่งเน็บเจ็บอยู่เนี่ยไม่ใช่เราหรือใช่แล้วใช่ยายปฏิเสธ แล้วปฏิเสธหญ่บอกว่าใช่เอาแล้วสิพูดไปพูดมามัดตัวเองจะแลยโยมถ้าบอกใช่แล้วทำไมปฏิเสธแล้วปฏิเสธแล้วทำไมบอกว่าใช่บอกเออสู่เจ้าฟังให้ดีใช่โดยความไม่เที่ยงในความไม่เที่ยงนั่นแหละคือใช่รอดไหมเนีย่ยโยม ฟังให้เข้าใจใช่โดยความไม่เที่ยงอาตมาก็ออกเป็นใช่โดยความไม่เที่ยงในความไม่เที่ยงนั่นแหละใช่เลยใช่อะไรก็โยมดูร่างกายของเราหรือเปล่าของเราแต่เป็นของเราแบบเที่ยงหรือไม่เที่ยงยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนในหนึ่งรปีลงมาไปดูเธอโยมสมมติ บ, บอกเจ็ดสิบ มีชาติกับมรณะใช่ั้ยชาติวันที่พศมรณะวันที่พศอ ส, อส่วนมากตามกับร้อยลงมาเกือบทั้งหมดถ้าจะถึงร้อยนี้ก็มึงกับหายไปจากสังคมแล้วอยอมมาอยู่ไหนอยู่ในกระตอบอยู่ในกระท่อมอยู่ในบ้านอยู่ในตึกอยู่ในครูหาจริงไหม ยมเคยเห็นคนอายุร้อยแม่เดินขับรถเฟี้ยวยืนปอนกวีดปี๊ดปาดปิ๊ดปดมีไหมไปห้างสัรพสินค้ายมเคยเห็นไหมเป่าเคยเห็นไหมไปเล่นสกีที่สนามเล่นสนามกีฬายมเคยเห็นไหมคนอายุร้อยปีแข่งขันกันจัดกันดีไหมยม ทวนกระแสโลกซสหน่อยตำบอกเขาด่าเมืเราตายเลยโยมก็บอกไอ้นี่บ้าแล้วเอาคนร้อยปีมาทรามานแค่ยืนแถวตรงสองนาทีก็เซ ห, หมดแล้วยถ้าจะมีร้อยปีสังคมตรงนั้นก็หายไปแล้วเพราะสภาพสังขารอยู่โดยความไม่เที่ยง ความทุกข์มันกดดันความทุกข์บีบคั้นจนมือไม้นิสันตาพระหูอื้ออกงกำลังบังชาหมดฟันซี่น้อยซี่ใหญ่หลุดหมดแต่มาบอกใช่เป็นเราแต่เป็นโดยไม่เที่ยงแต่มาบอกคำนี้มีเหตุผลเข้าใจ แต่มากําหนดก่อนนะไม่ใช่ว่าอ่านเสร็จแล้วก็เชื่อเลยหรือ ว, ว่ารู้มาได้ยินมาแล้วบอกใช่แต่มาบอกเราเชื่อคนมาเยอะแล้วแต่เชื่อมนุษย์ที่มีกิเลสเราไม่เคยเราไม่เคยหมดทุกข์แม้แต่วันเดียวเราต้องหาทางบ้างทางไหนที่ไม่มีทุก ต้องกาหนดดูก่อนไปเรื่อยๆไม่ได้รู้วันเดียวแล้วจบหรอกโยทุกอย่างยิ่งบอกความสำเร็จทางจิตบิญญาณดต่บอกตายชาตินี้อาจจะไม่สำเร็จแต่ไม่ท้อไม่ถอยพยายามวันข้างหน้าต่อต่อไปนั่นเรียกว่าวิริยะบารมีกับขันติบารมีอดทนอดกลั้นเพียรหมันขยันน ใครก็ตามบำเพ็ญขันติบารมีกับวิริยะบารมีเหมือนพี่น้องกันเลยตัวหนึ่งเกิดตัวหนึ่งก็เกิดคู่กันเหมือนขาวขวาขาซ้ายสรุปก็คือเป็นเราแต่เป็นโดยไม่เที่ยงเข้าใจแล้วและความไม่เที่ยงนั่นแหละคือเรารู้แล้ว แสดงว่าเรานี้มีโดยความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงนั่นแหละเป็นสภาพเราอยู่แล้วก็แปรปรวนอยู่ตลอดแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดมีทั้งแปรปรวนนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงไม่ง่ายนะขนาดพูดนี่แปรปรวนยังรรอรอ้อ ว, ว่าเปลี่ยนแปลงก็ลิงลิงอีกโอ้โหมันไม่ง่าย ทั้งรอเรือแล้วก็รอลิงนายโยมแปรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงโอ้ชีวิตพวกเรามีความเปลี่ยนแปลงและก็มีสภาพที่แปรปรวนอย่าว่าแต่ร่างกายนาโยมจิตของพวกเรานี้ก็โอ้โหแปรปรวนนายโยมยิ่งหนุ่มสาวเจอกันใหม่ๆแล้วมันแปรปรวนนะฮดูเลยโยมจริง กินไม่เป็นอันกินแล้ววันนี้ไม่ใช่แต่โยมไม่แต่พระแล้วไม่ได้เกิดในยุคนี้เกิดยุคพระพุทธเจ้าก็มีบินธ บ, บานกลับมานี่กินไม่ลงเลยโยมเห็นแต่โฉมหน้าเป็นเอ า, นาหนักนาไม่ธรรมดานั่นเขาเรียกว่าแปรปรวนเกิดแล้วทะเลคลั่งวังน้ําวนเขาเรียกแปรปรวน อ้าวโยมไม่รู้เรื่องเหล่านีนะ้มันมีชะตากันอยู่นะเจอร้อยคนพันคนเนี่ยไม่รู้สึกแต่พอเจอคนนี้ยอมได้ทุกอย่างเหมือนโยมหลายคนนี่อยู่นอกบ้านแล้วเก่งใช่ไม่มีอท่านในพนดั้งหลายแต่พอกลับบ้านนะพูดไม่ได้สักคำเลยเมียดุทั้งวันเลยโย พอออกไปก็บราบายกับนู่นแหละลูกน้องนะออกจากบ้านเป็นพวกบังคับบัญชาพอเข้าบ้านถูกบังคับบัญชาตลอดเลยเอา้าโยมก็น้อยเช่อเมื่อไรล่ะขัดใจเอ้ยไม่นางเอ้ยทไมแต่พอคิดว่าจะทำอะไรใจมันบอกอยานะอยา มันเกรงอะไรกันตรงไหนอาตมาก็บอกไม่ได้ขารบกันตรงไหนหรือว่ากลัวกันตรงไหนก็ไม่รู้เหตุผลของใครก็ของคนนะั้นบางคนบอกเกิดมาผมไม่เคยกลัวใครเอาเลยเห็นเมียบอกอ๋อผมไม่ได้กลัวเมียผมแค่เกรงใจเมียเกรงใจไม่ใช่อย่างเดียวขารบต่างหากเองเออพอแล้วละสองคำนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วละ เมบอกกลับหลังหันยังเดินอีกเดี๋ยวกลับมาตาเขียวนั้นน่ะไม่ได้ยอมมันเป็นชาตาฉะนั้นเรื่องบางอย่างสิบคนร้อยคนเนี่ยตอบแทนเราไม่ได้หรอกเอา้ามันส่วนตัวจะบอกกันได้ยังไงถึงว่าเออคนเรานักมวยมันก็ยังแพ้ทางมวยกัน ชนะคนนี้แต่มาแพ้คนนั้นชนะคนนั้นก็มาแพ้คนนี้ต้องแก้มือกันอยู่เรื่อยเก็พอเรากำหนดให้ดีโยมเออมันแปรปรวนโยมเห็นความแปรปรวนไหมอย่าบอกว่าไม่รูน้นทะเลวันดีคืนดีนายโยมจะถมน้ำลาย ขากสเสล็จทมน้ำลายสั่งขี้มูกทะเลไม่เคยว่าอะไรเลยแต่วันดีคืนดีเราอยู่เฉยๆทะเลก็บ้าคลั่งได้คลื่นในมาแบบโอ้โหตึกระดับเจ็ดแปดชั้นเนี่ยทิมหน้าต่างเข้าไปเลยทะเลคลั่ง จะจมเรือทุกลำที่อยู่ในทะเลเวลานั้นเอาอะไรเป็นเหตุผลบอกจะมาบอกมันแ ป, ปรปวีนและก็สภาพมันเปลี่ยนแปลงตอนนี้แต่มันก็ไม่เที่ยงคืนกลับสู่ธรรมชาติให้ชีวิตดังเดิมไปจะไปทำหากินอะไรลงทะเลกัน ทะเลช่างงดงามเอาไม่ใช่น่ากลัวแล้วบอกเมื่อก่อนน่ากลัวตอนนี้ทะเลเปลี่ยนแล้วโยมดูให้ดีที่ยกอย่างนี้น้อมเข้ามาใหม่ทำมันคืออย่างนี้มันเป็นสิ่งคู่โลกไม่ได้มีหน้าเดียวฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าใจธรรมะตมาบอก คนนี้รู้ผิดถูกชั่วดีรู้มืดสวา่างรู้บุญและก็บาปไม่ใช่รู้อย่างเดียวฉันใครก็ตามรู้อย่างเดียวเป็นครูเขาไม่ได้เป็นอาจารย์เขาไม่ได้เป็นได้ก็ไม่นานยอมรับอย่างเดียวอีกอย่างหนึ่งปฏิเสธต่มาบอกคนนี้ไม่ใช่ทับคนนี้ยึดตัวตนถึงบอกทิฏฐิคือความเห็น มานะคือความยึดติดบางทีเอามานะใช้มานะตัวเองแต่มาบอกหยุดได้แล้วยกตนเป็นใหญ่ข่มเหงผู้อื่นหรือบางครั้งแม้แต่น้อยเนื้อต่าใจก็ยังเป็นมานะมานะมีหลายข้อนะอัสมีมานะมานะบางคนก็เกิดความอาหังการมัังการก็เป็นมานะ น้อยใจนี่ก็เป็นนะก็ยังยึด ต, ตัวตนนะว่าเราสู้เขาไม่ได้เรายางนั้นเราอย่างนี้เอาบางคนว่าเขาสู้เราไม่ได้เราดีกว่าเราเหนือกว่ามานะทั้งนั้นแต่มานะไปคนละแบบดูให้ดีกำหนดไปพอเห็นความแปรปรวนรู้จักความเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหม รูปนี้ไม่เที่ยงมีสภาพเป็นเราแต่มีโดยความไม่เที่ยงจะมาหายสงสัยแล้วมีนาห้พีนาเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเส้นน้อยใหญ่สุดท้ายให้มองเป็นของไม่งามบางคนงามจะตายโยมเชื่อเปล่าโอนกเ็งงามหรือนกแก้วไ ม, ม่ยมโอ้สีสันสวยปลาบางชิดก็สวยสวย แต่พอมนุษย์อยากได้อยากมีอยากเป็นเจ้าของ mm hmm. ก็ซื้อมาเก็บมาขังเขาไว้ถามเธอว่าเขามีความผิดหรือที่ต้องเอาเขามาขังวันไหนยมสวยก็ก็จับไปขังดีไหมเอาไปขังดูไงไม่ได้มีความผิดบอกนิดเพรา ะ, ราะอยากได้ขังไว้เพราะสวยข้อหาเดียวคือสวยแต่คนถูกขังคือสวย นกนี้สวยจับมาขังแต่มาเจอที่นายบอกปล่อยเธอเขาไม่ต้องการชีวิตแบบนี้โยมหลายคนบอกโอ๊ยปล่อยมันก็ไปไม่ได้เออลองปล่อยมันดูมันจะไปไหมถ้ามันไม่ไปถือว่ามันเลือกเราก็ไม่เป็นไรอยู่ด้วยกันเปิดกรงไว้มันอยากเข้าก็เข้ า, ขาอยากออกก็ออกอยากไปก็ไปแต่อย่าไปขังเขา ตมะกลัววิบากกรรมวันหนึ่งจะกลับมาหายโยมโดยที่เราไม่มีความผิดอะไรเลยคขังโดยสเสนหาเออข้อหาใหม่เคยได้ยินข้อหานี้ไหมตมาก็ไม่เคยได้ยินเพิ่งได้ยินเนี่ยเพิ่งได้ยินตอนเนี้ยพูดเองเออเองเข้าใจเองหมดคขังโดยสเสนหาเพราะความสวย สวยเลยละ่ะทีนีโยมใครอยากสวยก็สวยนะ้คนไม่สวยนั้ว่าโชคดีที่สุดต่อไปคนสวยเป็นคนโชคร้ายข้อหาสเสดหาแล้วก็ถูกคนจับไปขังเอาไว้ดูซื้อเสื้อผ้าสวยๆให้แต่งหน้าง า, งามๆแล้วก็นั่งดูแต่ว่าเพี้ยนกันใหญ่แล้วละ่ะนั่นคือการสนองกิเลส ตมาบอกให้มันเป็นธรรมชาติให้เราเห็นโดยธรรมชาติปล่อยเข้าไปเถอะเขาไม่ผิดอะไรหยุดใจเราแค่นั้นเองจบแล้วจบแล้วยมจะเลี้ยงด้วยความเมตตาอะไรก็ยมพิจารณาเองว่าเราขังเขาหรือเปล่า จอดจงเขาแค่ไหนอันนี้ต้องใช้ปัญญานะไปพิจารณาเองไม่ได้ว่าใครใจของเรากำหนดแล้วยมมองโลกนี้มองแบบไหนอาพุทธเจ้าสอนพระโมคขราชเป็นพระราชาด้วยนะพระโมคคราช บุคคลใดมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าบุคคลนั้นจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงยมจับคำได้ไหมบุคคลใดมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าบุคคลนั้นจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงโอ๊ยฉะนั้นความหึงหวงไม่มีแล้วความหึงหวงที่ฆ่ากันในคดีนี้ลดหัวบเลย ถ้าเรามองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าแต่มาก็สงสัยอีกนันแหละทำไมพระพุทธเจ้าให้มองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าพระมกขราชเธอจึงมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าเธอจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงแล้วนี่มันต้นไม้นั่นมันภูเขานี่มันทะเลนี่มันพื้นดินนั่นคนนั่นสัตว์มองอยังไงให้มันว่างเปล่า แล้วไม่มีทุกข์ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่นานนะกว่าจะเข้าใจทีหลังอมองด้วยความว่างเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่มองด้วยตาว่างเปล่ามองด้วยใจที่ว่างเปล่าจากกิเลสตั้งหากโอ้โหคำนี้ถ้าเราไม่ ฝึกหนักจริงๆไม่มีสิทธิ์จะเข้าใจเลยโยมมองอะไรบอกว่างเปล่าไหมนั่นกับพระพระทานนั่นก็ตู้เย็นนี่ก็พัดลมนั่นก็นาฬิกานี่ก็แว่นตานี่ก็ไมโครโฟนนั่นก็คนนี่ก็สัตว์และมันจะมองอยังไงว่างเปล่าไม่มีคนเดินมองไปอา้าวไม่มีคนก็ยังมีต้นไม้อีก มองอยังไงก็ไม่วา่างเปล่าไปมองทะเลดีกว่าทะเลว่างเปล่าแต่ทะเลก็ยังเป็นทะเลมันก็ไม่วา่างเปล่าทะเลก็ยังมีโขดหินอีกไปมองตรงไหนดีมองขวดดีกว่าในขวดว่างเปล่าหมในขวดว่างแต่ขวดก็ยังเป็นขวดอยู่มันก็ยังเป็นรูปให้เห็นปะ่ะมองอะไรดี ขุดรูมองดีกว่านักวิทยาศาสตร์ขุดรูดีกว่ามองรูดูในรูไม่มีอะไรมีแต่ดินดินก็ไม่ใช่ว่างปาเปล่าเอาเลย ว, วัดดำน้ำดูดีกว่าดำเออปลาไม่มีมองไปมองมาไม่มี มองไปมองมาก็ยังเห็นเป็นน้ำอยู่เพราะฉะ้มันจะว่างเปล่ายัางไงเนีเป๋่าลมใสลุกโป่งมองลูกโป่งดีกว่าย้อนว่ามันว่างเปล่าไหมล่ะมันก็ยังเห็นเป็นลูกลูกโป่งใช่ไหมแต่บอกหมดปัญญาแนละ้วหมดปัญญา นั่งพิจารณาหม่ใช้ใจมองดีกว่าตามองยังไงมันก็เห็นกว่าจะเข้าใจได้โยมรู้ไม่ใช้เวลานา น, านกี่ปีกี่เดือนกี่วันไม่ใช่เดียวยวนะอ๋สุดท้ายพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนมองโลกด้วยสายตา แต่ให้มองโลกที่เห็นด้วยใจที่ไม่ยึดติดสิ่งนั้นตั้งหากแค่นี้หรือที่เราหาอยู่ตั้งนานมันใช่หรือพระพุทธเจ้าพระโมคคาราเธอจงมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าเธอจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวง ขึ้นไปยอดเขาดีกว่ามองสูงสูงมองท้องฟ้าก็มีก้อนเมฆมองต่ำลงไปก็มียอดไม้มองรอบตัวก็มีโขดหินน้อยใหญ่บทที่ไปเลยโยมอตอน้อยเข้าไปในโรงมองก็ยังเห็นฝาโลงใช่ไหมโยม ามาบอกแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสให้เรามองด้วยตาแน่แล้วหลับตามองดูสิหลับตาก็ยังเห็นอดีตความคิดก็ยังเห็นเป็นอนาคตลืมตาก็เห็นปัจจุบัน แม้ได้ยินเสียงก็ยังเป็นรูปเสียงกำหนดร้วนนกสัตว์น้อยใหญ่ร้องใช้ใจมองแต่ตามา ย, ยอมรับว่ามองยังไงก็เป็นรูปปฏิเสธไม่ได้มองแบบไหนให้ว่างเปล่าเนอะพระเจ้าค่ะ กว่าจะรู้ใจต้องนิ่งสงบก่อนกว่าจะเห็นต้องไม่วุ่นวายใจซะก่อนนั่งรู้ตื่นดูไปเรื่อยๆรยืสุดท้ายสุดท้ายที่เรามองใจที่ว่างต่างหากทุกอย่างที่เห็นก็เหมือนว่าง ทุกอย่างที่ว่างก็เหมือนที่ได้เห็นแล้วใช่หรือพระเจ้าค่ะทุกอย่างที่เห็นก็คือว่างทุกอย่างที่ว่างก็คือมองเห็นแล้วจมสับสนไม่คาไอ้ที่เห็นบอกว่าว่างและไอ้ที่ว่างบอกว่าเห็นอีกปะ่ะต้องใช้ปัญญาขนาดหนักขนาดไหนเนี่ย เห็นบอกว่าว่าไอ้ที่บอกว่างนั่นคือเห็นสนุกไว้ล่ะโยมเออปฏิบัติกูโหกว่าจะได้ก็มาปารมัตปรมัตสุดท้ายให้เห็นเป็นเพียงสมมุติไม่ใช่เห็นโดยความเที่ยงป้าโท ปัญญาบารมีมันอยู่ตรงนี้เองเห็นโดยความไม่เที่ยงให้เห็นเป็นปรมัตดตรงนี้ต่างหากเห็นโดยสิ่งสมมุติอย่าไปยึดติดว่าเห็นนี้เป็นโดยความเที่ยงสัตว์ก็คือสัตว์มันก็คือสัตว์สัตว์นี้ก็ไม่เที่ยงสุดท้ายก็แตกดับ ที่สุดก็ว่างเปล่าโอ้โหมันต้องมองไกลขนาดไหนกว่าจะรู้คำนี้เนี่ยยากนะโยมนะแต่มาว่ากว่าจะหลุดได้สักข้อหนึ่งท ร, รมะอ่านไม่ยากขนาดนี้ฟังคนอธิบายพอจะเข้าใจแต่ไม่เหมือนกับใจที่รู้เองบอกป้าใจรู้เองเกิดวิชา อ่านตำราเกิดความจับเ อ, อ้าใจที่รู้เกิดวิชาและยมว่าพระพุทธเจ้าอ่านตำราเล่มไหนตัดสรู้เนี่ยไม่มีพระสุตตันตปิฎกพระไตรปิฎกอภิธรรมปิฎกธรรมปิฎกมาทีหลังทั้งนั้นเออใจรู้ คือวิชาอ่านตำราคือความรู้จำออแต่ยังไม่รู้จริงเหมือนจะมาบอกเอาพริกหนึ่งเม็ดเผ็ดนะโยบอกสักแค่ไหนเม็ดนิดเดียวตมาบอกยิ่งแดงยิ่งเผ็ดโทยิ่งแดงมายิ่งสดสวยพิสูจน์ก่อนอจะให้เผ็ดกว่า น, นี้ต้องํำนะ เอานนเนียนๆเลยนะพูดดำลายๆนะเอานนเนียนๆทำๆเข้าไปโอ้โห โ, โยมที่บอกพลิกขี้หนูมันเรื่องจริงพริกชี้ฟ้าไม่เท่าไหร่นะโยมแต่พริกขี้หนูนี่แม่แสบซวงเลยโยมมันไปเดือดร้อนถึงฤทธิ์สีดวงของคนนะโยมไม่ได้พูดเล่น เป็นขึ้นมาแล้วก็เจอเผ็ดเผ็แล้วก็โอ้โหเจ็บปวดทุกรายนะเออมันต้องพิสูจน์ฉะนั้นการปฏิบัติคือการลงมือพิสูจน์เพราะเรามาถูกทางโยมธรรมะของพระพุทธเจ้าฟังอย่างเดียวไม่สำเร็จนะเพราะอะไรต้องมีสภาวะจิต มารองรับธรรมนั้นด้วยมีคนย้งและคนฟังธรรมปัญจวัคคีย์ฟังธรรมปุ๊บบรรลุปับ๊บจะมาบอกเข้าใจผิดหรือเปล่าปัญจวัคคีย์บำเพ็ญเพียรมาเท่าไหร่จนกล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าละความเพียนหมุนเวียนมาสู่ความมากๆขนาดนี้เลยนะแสดงว่าปัญจวัคคีย์ก็บําเพ็ญไม่น้อย ไม่น้อยแต่เหตุเชนไหนฟังธรรมปุ๊บอัญญาวัตะโพโกณทันโยอัญญาวัตะโพโกณทันโยอัญญากลทัญญาเป็นผู้รู้เห็นแล้วหนอะเป็นผู้เห็นเนาะมีดวงตาเห็นธรรมแล้วแล้วทาไมเห็นธรรมใจเห็นไม่ใช่ตาเห็น แต่มาไม่เคยเห็นว่าคนนั้นมีตาเห็นธรรมมีแต่ใจที่เห็นธรรมแต่ว่ามีดวงตาดวงตาเนี่ยมาจากข้างในดวงตาไม่ใช่สายตาพวกเราเห็นนี่คือสายตาโยมสายตาจดจ้องมองกันอยู่แต่ดวงตามันลึกซึ้งนะ มีดวงตาเห็นธรรมอัญญาวัตะโพโกณทันโยอัญญโกณทัญญะเป็นผู้เห็นหนอเห็นหนอเห็นเนบรรลุคนแรกก่อนโสดาปฏิพลก่อนก็สรุปว่าฟังธรรมก็บรรลุแต่มาบอกใช่แล้วก็ไม่ใช่อา้าวเมื่อกี้บอกไม่ใช่แล้วบอกใช่แล้วก็ไม่ใช่ใช่ที่ได้ฟัง แต่ที่รู้พระใจนั้นเห็นด้วยเขากำหนดตามกิจมีสภาวะที่น้อมตามไละเห็นแจ้งทรรมตรงนั้นตรงกันลงตัวพอดีเลยโยมชีวิตกับธรรมะลงตัวกันตรงนั้นแหละ มองเห็นสัจธรรมของชีวิตแจ่มแจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงในบัตรนั้นอัญญาวัตถะโพโกนทันโยเป็นผู้เห็นหนออนนัญญากนทยะเห็นแล้วหนอแต่มาบอกเออเข้าใจแล้วเขาเห็นชีวิตที่พระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่ เบื้องต้นอย่าลืมมาขึ้นคำนี้เนี่ยกำหนดรูปนามเสร็จแล้วก็มาสุดท้ายคือชีวิตกับธรรมะท่านรู้แจ้งฝังปื๊บบรรลุโสดาบัดแต่ถ้าคนไม่มีการปฏิบัติเลยไม่เคยปฏิบัติไม่เคยพิสูจน์อะไรเลย บรรลุถ้าบรรลุได้ดูเหตุผลที่ธรมมาจะแสดงต่อธรรมมาเคยตั้งข้อสงสัยต่อพระพุทธเจ้าในเรื่องหนึ่งว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่โปรดสัตว์ให้หมดเว้นวักทำไมคนนี้ควรโปรดคนนี้โปรดไม่ได้ทำไมชัดไหมคำนเพราะอนุใสวาสนา บารมีธรรมบุคคลนี้ไม่เคยได้อบรมอะไรมาเลยและจะรู้ไหมพลันจะรู้แจ้งได้นะคนจะปลูกพืชต้องเตรียมดินก่อนคนจะกินต้องเตรียมอาหารอย่างไม่ครัวกว่าจะผัดกับข้าวได้ต้องไปเตรียมไม้เรียบร้อยก่อนไม่ใช่ใส่กระทะใดเลยไม่ใช่เตรียมก่อนเหมือนกันชาวนาจะปลูกข้าวไม่ใช่ซีสัวปลูกนะ ต้องเตรียมพื้นนาก่อนไหนจะต้องไถไหนจะต้องโอสารพัดยังมีกรรมวิธีเขาต้องมีวิธีที่ต้องเตรียมพื้นดินก่อนสรุปอย่างนี้สุดท้ายทำไมไม่โปรดพระเจ้าคะ่ะทำไมต้องให้สัตว์นั้นเข้าข่ายพยานจึงโปรดได้ ไม่ใช่พระพุทธเจ้าเลือกคนรวยเลือกคนจนเลือกคนดำคนผอมเลือกคนโง่หรือฉลาดเปล่าเลยแต่พระพุทธเจ้าดูจิตของใครที่มีภูมิธรรมมาแล้วมีสภาวะธรรมมาแล้วนั่นต่างหากจริงควรแก่โปรดได้แต่มาเลยนึกถึงเหมือนพาชนะ ถ้าภาชนะไม่สะอาดของจะสดสวยงามสะอาดเกลี้ยงขนาดไหนก็ตามถ้าหย่อนหรือใส่ลงไปตรงนั้นก็เปื้อนทันทีแต่มาเข้าใจแล้วพระพุทธ เ, จ, เจ้าสุดยอดจริงๆสเสมือนของที่บริสุทธิ์แต่ภาชนะนั้นเปื้อนไหมถ้าเปื้อนหย่อนลงไปสิ่งนั้นก็ไม่เป็นผล เห็นไหมเขาบอเออเข้าใจแล้วฉะนั้นพาชนะพวกเราต้องล้างก่อนต้องสะอาดด้วยนะทำไมต้องมีศีลสมาธิคนไม่มีศีลก็ไรรทมคนไม่มีสมาธิจิตฟุง้งซ่านพิจารณาอะไรไม่ได้หรอกสับสนวุ่นวายวิกิกิฉา ลุมเร้าเข้ามาเกิดตัณหาอาวิชชาครอบงำจิตอยู่ตลอดหรือคนยังขาดสติเ ม, มาไม้อยู่ตมาไม่เคยได้ยินว่าทรมะเทศได้คนเมาตัดรู้ไดนะ้หรือบรรลุทําได้ตมาเกิดมายังไม่เคยได้ยินตําราเล่มไหนก็ไม่เคยปรากฏไม่มี มีแต่หนังเรื่องจิกโกงเรื่องเดียวที่รู้อยู่นะแต่นั่นมันคนละแบบกับเราคนละเรื่องกันมหายานคนละเรื่องคนละแบบฉะนั้นจัมมาจึงบอกเออพาชนะของใครที่สะอาดแล้ว นั่นแหละควรแก่การรับพระสัทธรรมเหมือนเราต้องก่อนจะย้อมผ้าผ้ายัางต้องให้สะอาดก่อนมั้นย้อมไม่ติดนะถึงติดก็ไม่ดีกระดำกระด่างถูกหรือเปล่าโยมฉะ่นใครเป็นนักเย็บนักย้อมผ้าเข้าใจกันเหมือนกันบอกเออใช่เลยพอเข้าใจคําบนี่่มาบอกมีหน้า พระพุทธเจ้าเลือกโปรโดปัญชาวะคีเขาเพียรเพ่งปฏิบัติกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ถูกทางเท่านั้นแล้วก็ชี้ทางใหม่พอเขามองเห็นปุ๊บจิตนั้นก็แลเห็นทานั้น ท, ทันที บรรลุโสดาบันฟังแล้วง่ายใช่ไหมง่ายอยู่บรรลุเลยบทเดียวกันเลยนี่แหละมองเห็นด้วยความไม่เที่ยงพระโมคคราชให้มองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าบรรลุไหม ใ, ใครอานอาหารแล้วบ้างตอนนี้อย่าว่าแต่ผู้ฟังเลยโยมผู้เทศเองก็ยัง ต้องปีนเขาอีกเยอะเหมือนกันแหละเห็นไหมพวกเราเรียนจำเรียนรู้แต่ต้องพิสูจน์ชีวิตกับธรรมะลงตัวอะไรอย่างนี้นั้นเรามองโลกนี้บอกเออมองด้วยความว่างเปล่าสิ่งที่เห็นโดยสมมุติสิ่งสมมุติไม่ควรยึดติด ยกจิตให้อยู่เนื้อสิ่งนั้นยกขึ้นไปสู่ธรรมะแล้วก็ละวางสิ่งที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดละวางไม่ใช่ลืมอยากเข้าใจผิดทุกอย่างพวกพวกเรานั้นไม่ลืมอดีตมาไม่ได้ลืม แต่จำสิ่งที่ควรจำสิ่งที่ไม่ควรจำตมาไม่ใส่ใจอีกเลยเรื่องจริงน่ะตมาไม่เคยคิดเรื่องร้ายๆที่ผ่านมาแล้วตมาจำไม่ได้แล้วตอนนี้ไม่ได้ให้ความใส่ใจไม่ได้สนใจบางคนนั่งแคะแผลอยู่นั่นเลือดซิบๆิอยู่ทุกวันบอกเออลูกคลำ ม, มันทำไมเจ็บเมื่อสิบปีมันก็พอแล้วยญยต้องมาเจ็บอีก เสียใจเมื่อ20ปีก่อนทำไมต้องมาเสียใจอีกคิดว่าชีวิตมันจะยาวมากขนาดนั้นหรือเราเกิดมาเพื่อเสียใจหรือเกิดมาเพื่อร้องไห้หรือมันไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการเมื่อไม่ใช่แล้วทำไมต้องยึดติดกับสิ่งเหล่านี้แต่มาว่าเออเข้าใจเข้าใจละละได้นะ ทะละไม่ได้แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจถึงชีวิตกับธรรมะเราไม่ยอมเอาธรรมะแต่เรายอมยึดถือตัวตนทำไมชีวิตขาดทุนไม่ได้หรือบทตามมาบอกบทสูญเสียใจต้องยอมรับบทได้รับใจต้องรู้จักวาง สุขทุกข์เป็นของคู่กันสองสิ่งนี้ไม่จีรงังยั่งยืนกําหนดไปเรื่อยๆแล้วยมจะแข็งแกร่งขึ้นเองเอนักรบไม่ได้แข็งแกร่งกับเสือ้อเกาะนะโยมจะเข้าใจว่าเสื้อเกราะตัวนี้จะเป็นตัวแข็งแกร่งนักรบแข็งแกร่งจากร่างกายและจิตใจนะเสื้อเกะก็เป็นเพียงการป้องกันเมื่อเจอศัตรูเทะนะ่านั้น แต่ไม่ได้หมายว่าทั้งหมดฉะนั้นพอเราศึกษาปฏิบัติธรรมะจริงๆชีวิตธรรมะธรรมะกับชีวิตลงตัวไม่โยมแปรปรวนกับเปลี่ยนแปลงสองคำนี้ถ้าเข้าใจโสดาบั น, นยอยู่ใกล้นิดเดียว แรปรวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงโสดาบันธรรมะบอกไม่ได้เป็นเรื่องไกลเลยเพราะโสดาบันยั ง, งยืนอยู่ทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมยังมีโลกียวิสัยอยู่ส่วนหนึ่งแต่จิตน้อมไปสู่โลกุตละเพียงแต่ ว, ว่าหยุดบาปแล้ว แล้วไม่ยึดติดแบบทาวรแต่ยังมีสิ่งนั้นอยู่บ้างมีแบบเบาบางไม่เสียใจจนขาดสติไม่หลงระเริงจนไม่ได้สติจึงบอกเออทุกอย่างมีขอบเขตโซดาบันเบาบางแนละ้ว ฉะนั้นเมื่อไรพวกเรามองโลกนี้ด้วยใจที่เราว่างเปล่าเราจะอยู่เหนือทุกอย่างวันหนึ่งธรามาเชื่อว่าโยมจะเจอทุกก้อนใหญ่มีแต่เขาบอกลาบก้อนใหญ่ใช่ไหมทุกก้อนใหญ่เมื่อถึงวันนั้น โยมผ่ามันได้ไหมฝ่าฟันมันนันได้ัหมท่านได้แต่มาเชื่อว่านั่นคือนักปฏิบัติธรรมโยมภูมิใจได้เลยนะวันไหนทุกเกิดมากๆและโยมดับทุกได้โยมชนะแนละ้วชนะยังไม่ใช่ขั้นสำเร็จอาารรรหันต์แต่ชนะขั้นธรรมะในระดับที่เราสามารถดับทุกได้ในบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่อง และต่อไปนั่นแหละคือปัญญาเพราะสิ่งที่สูงสุดในพุทธศาสนาคือความดับทุกข์สิ่งที่สูงสุดที่ไม่ต้องดับทุกข์อีกเลยคือความพ้นทุกข์สองคนี้ก่อนพวกเรากำลังเรียนความดับทุกข์แต่พอสุดยอดแล้วคือสภาพที่บอกพ้นทุกข์เอานะเราปฏิบัติไปดูไปโลกนี้ ยินดีได้แต่อย่ายึดติดนานสุดท้ายต้องปล่อยวางถ้ายมไม่ปล่อยวางมันก็จะทิ้งเราทุกอย่างแต่มาเข้าใจยึดยังไงก็ตายไม่ยึดก็ตายยมคิดให้เป็นสองคำสุดท้ายก็ตายสุดท้ายก็ไม่มีอะไรไป ลยโยมจะขนอะไรไปกันนักกันหนาเนี่ยเตรียมเรือยอดไว้ด้วเรือสำราหรือบอกโอ้จะบอกโปรโมชั่นออปชันจะมาฟังแล้วก็แค่นั้นเลยโยมเอยจะแจกจะแถมจะเอาอะไรมาเสนอก็เออพิเศษอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้าย นางเรวดีเอาอะไรไปได้ไม่ใช่ความตายอย่างเดียวสมบัติขินสุดท้ายของมนุษย์คือความตายแล้ววันหนึ่งทุกคนจะได้มันไม่ต้องตกใจนะอาตมาก็ได้ด้วยได้ทุกคนละ ไม่ต้องรีบร้อนใจเย็นๆบางคนก็อยากตายเลอะเกินบางคนก็ไม่อยากตายเลอะเกินบเอออยากไม่อยากมันมีเวลาของมันมันมีอยู่ไปเรื่อยๆเถอะมีอะไรก็ทำไปเนาะเออทำใจสบายสบาย พิจารณาไปเรื่อยสุดท้ายแล้วก็จินชากับมันมันเห็นมันที่แรกเห็นเข็มนี่ตกใจโอ้โหยิ่งไปเอาเข็มมาโว์แล้วก็หมอฉีดน้ำไม่พุ่งด้วยโอ้โหจะเป็นลมช้างยังกลัวมดแดงนับประชาอะไรจะมาจะไม่กลัวเข็มแน่พอโดนไปหลายเข็มชักมองได้ตอนหลังมองเฉยเลยแต่ แต่ตอนเจาะหันหน้าออกพอเจาะเสร็จหันหน้ามามองเออตอนนี้ชักคุ้นๆคุ้นๆนะแต่ไม่ได้ปฏิเสธว่ายังไม่เสียวยังเสียวอยู่เหมือนเดิมเพราะพวกเราเห็นมีดคมๆเสียวไม่โยโอดเสียวเสียวไส้ด้วยถ้าใครมุ่งมาทางเรานี่เสียวไส้ไว้ก่อนถึงบอกเออฉะนั้นเรา ชีวิตกับธรรมะยมจบให้เป็นนะถ้าจบเป็นมันจะลงตัวแต่มาผูใ้ใดแค่นี้ถ้าจบเป็นจะลงตัวไม่สับสนไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องและก็ไม่หมองใจด้วยสบายก็เรียกจะตายก็ยังมีความสุขอยู่แม่แฮปปี้จริงๆ มีบางคนอะไรโอ้โหจะตายแล้วดิน้นจะไม่ตายเขาให้ตายก็ต้องตายยาก็ช่วยไม่ได้ไม่ต้องป่วยนอนหลับคืนนี้เขาบอกไม่ได้ตื่นแล้วแต่คนนั้นยังไม่รู้ได้ซ้ำโยมอย่าหลงนะว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นมาในแต่ละคืนที่พวกเราหลับลงไป ทุกทุกคืนที่นอนหลับมีคนไม่ได้ตื่นขึ้นมาทุกทุกวันแต่วันนั้นไม่รู้ว่าใครมันก็ค่อยใกล้มานาะค่อยค่อยใกล้ใกล้ใกลไม่ต้องจับฉลากนะตรงนี้ได้ทุกคนดได้ทุกคนดูจิตไปปฏิบัติปไปก็ขอจเจริญพร